มารู้จักอดีตปัจจุบันอนาคตในอีกมุมมองหนึ่งกันเถอะอดีตถ้ากล่าวถึงคำว่าอดีตคนมักจะคิดไปถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมานาทีที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อชาติที่แล้วหรือหลายชาติที่ผ่านผ่านมา มีจำนวนมากมายที่ย้อนลับลึกไปค้นหาอาดีตเหล่านั้นนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะคาว่าอาดีตมันเป็นคาสมมติซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นที่เข้าใจกันภายในกลุ่มภายในประเทศที่แปลความหมายได้ว่าสิ่งนั้นได้ผ่านมาแล้วถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์เพราะหวนอาลัยในอดีตจะปวดแค้นเคืองในสิ่งที่ผ่านมาน้อยใจในสิ่งที่ผิดพลาด หันหาอะไรในสิ่งที่เคยประทับใจคิดแล้วคิดอีกทุกแล้วทุกอีกสุขแล้วสุขอีกสลับกันไปอนาคตอนาคตเป็นคำที่สมมติขึ้นใช้แทนสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโดยมีความเข้าใจหมายรวมว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้ในอีกหนึ่งวินาทีข้างหน้าหนึ่งนาทีข้างหน้า หชั่วโมงข้างหน้าเดือนหน้าปีหน้าหรือสิบปีข้างหน้าแม้แต่ชาติหน้าก็ยังไม่ทราบมีเพียงแต่การคาดคะเนหรือการคาดหวังตามจินตนาการเท่านั้นถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์เพราะคาดคะเนล่วงหน้าทุกข์เพราะกลัวล่วงหน้าทุกข์เพราะวิตกกังวลล่วงหน้าเรียกว่าวางแผนคาดคะเนเตรียมการในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แล้วทุกไปก่อนทั้งๆที่ยังไม่เกิดเรื่องเหล่านั้นบางคนทุกล่วงหน้าไปข้ามปีด้วยซ้าปัจจุบันคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ดำเนินอยู่ณปัจจุบันขณะในอิรยาบทสี่นี้เดินอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์อยู่กินข้าวอยู่ดูทีวีอยู่นอนเล่นอยู่อ่านหนังสืออยู่ หรืออิริยาบทใดๆที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนั้นหากมีสติเห็นปัจจุบันขณะรู้ว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบันนี้มีสติเห็นทุกอิริยบทที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันจริงๆความทุกข์ปัจจุบันก็คือสิ่งที่กำลังกระทบต่อเนื่องกับปัจจุบันที่กำลังดาเนินอยู่เมื่อหลังเพราะนั่งนานปวดคอเพราะก้มอ่านหนังสือร้อนเพราะพัดลมเสีย หนาวเพราะแอร์เย็นหิวน้ำขณะเหนื่อยเดินทางมาไกลมันทุกแค่นั้นในปัจจุบันมันทุกกับสิ่งที่มากระทบในขณะนั้นมีเท่านั้นถ้ารู้ถ้าเห็นถ้าเข้าใจก็จะจัดการกับมันได้ในปัจจุบันขณะนี่คือทุกข์ในปัจจุบันคือทุก์ในขณะที่ขันห้ากําลังกระทบสิ่งนั้นๆอยู่แล้วเกิดภาวะนั้นๆในขันห้า แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมองเห็นปัจจุบันทุกปัจจุบันที่กำลังกระทบมีแค่นั้นแต่กลับไปทุกกังวลเรื่องเมื่อวานห่วงใยคนที่ยังไม่กลับมาทุกไปข้างหน้าทุกไปข้างหลังในขณะที่ยังนั่งอยู่ในปัจจุบันมันจึงดูเหมือนว่านั่งเฉยเฉก็ทุกได้เพราะความคิดมันฟุ้งไปทั้งเรื่องที่ผ่านมาและข้างหน้าที่ยังมองไม่เห็นและที่สําคัญ มันหยุดคิดไม่ได้และมันหยุดทุกข์ไม่ได้นี่สิเป็นเรื่องสำคัญเพราะพลวันอยู่กับคำว่าอดีตอนาคตนั่นเองอดีตอนาคตปัจจุบันมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นมันแยกกันไม่ได้ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตจริงๆแล้วแม้ปัจจุบันก็ยังไม่มีเลยแต่ขั้นตอนนี้คงต้องให้มีปัจจุบันไว้ก่อน เพื่อจับหลักให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทำความเข้าใจเพื่อออกจากปัจจุบันในขันห้าทีหลังก็แล้วกันหากสามารถเข้าใจกลไกของขันห้าได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับขันห้ามันอยู่ในขันห้ามันปรุงแต่งสุขทุกอารมณ์หลากหลายในขันห้าของแต่ละคนแล้วไปหลงยึดว่าสิ่งที่ปรุงแต่งในขันห้านั้นมันเป็นของเรา เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราจึงสุขจึงทุกข์อยู่ไม่วางวายดังนั้นที่กล่าวว่าอาดีตมันไม่มีจริงก็เพราะว่าขณะที่นั่งคิดถึงเรื่องเมื่อวานแต่การปรุงแต่งความคิดมันอยู่ในปัจจุบันนี้ขณะนี้ขณะที่คิดต่อ น, นี้เช่นน้อยใจเสียใจในเรื่องที่ผ่านมาครุ่นคิดว่าทำไมเขาถึงต้องต่อว่าเราด้วย เราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยแล้วก็มีความทุกข์ความเสียอกเสียใจความน้อยอกน้อยใจหดหูเศาหมองนอนไม่หลับคิดแต่เรื่องเมื่อวานนี้หารู้ไม่ว่าอดีตมันไม่มีรกมันผ่านไปแล้วหายไปแล้วดับไปแล้วแต่ขณะที่คิดเรื่องเมื่อวานมันคิดเดี๋ยวนี้คิดตอนนี้คิดในปัจจุบนันนี้ในวินาทีนี้ แม้ว่าข้อความที่คิดมันจะเป็นข้อความที่เหมือนเมื่อวานความน้อยอกน้อยใจความรู้สึกเหมือนเมื่อวานก็ตามแต่ว่ามันปรุงใหม่วันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาของเก่าเมื่อวานนี้กลับมาปรุงใหม่กลับมาย้อนไปใหม่มันย้อนไม่ได้มันคิดแล้วมันรู้สึกแล้วมันผ่านเลยไปมันดับไปหลังคิดเสร็จมันดับไปแล้วมันไหลผ่านไปแล้ว จะจับเอากลับมาย้อนคิดทบทวนใหม่ไม่ได้มีแต่คิดใหม่ในขณะ น, นี้ในปัจจุบนันนี้แต่เป็นประโยคเดิมเรื่องเดิมเท่านั้นเหมือนเราจุดไฟพอจุดแล้วลมพัดไฟดับไปแล้วมันหายไปแล้วก็ต้องจุดใหม่ลมพัดดับอีกก็ต้องจุดใหม่อีกจุดสักสิบครั้งก็คือจุดไฟสิบครั้งไม่สามารถเอาไฟเก่าที่ดับไปแล้วมาจุดใหม่ได้ ต้องทำการกระทบกันใหม่และไฟที่ดับไปแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่มันกลับไปอยู่ในธรรมชาติรอเหตุปัจจัยมากระทบใหม่อีกครั้งจึงเกิดขึ้นมาใหม่คือจุดใหม่จึงเกิดไฟครั้งใหม่นั่นเองคนที่เดินมาเห็นไฟทีหลังก็เห็นไฟติดอยู่แล้วโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการจุดไฟกี่ครั้งดังนั้นไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทาอะไร ทุกครั้งมันเป็นการปรุงใหม่ทั้งสิ้นมันไม่มีของเก่าเลยเพราะทุกขณะมันเป็นปัจจุบันในทุกขณะนั่นเองก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวชักเท้ากลับไปที่เดิมแล้วก้าวมาอีกหนึ่งก้าวทับที่เดิมแล้วก็ชักเท้ากลับแล้วก้าวออกมาหนึ่งก้าวเหยียบลงไปที่เดิมทําสักสิบครั้งหรือร้อยครั้งทุกครั้งที่ก้าวก็คือยื่นเท้าออกไปใหม่ แม้จะมองเหมือนว่ามันเป็นรอยเท้าเดียวเท่านั้นมันเหมือนไม่ได้ไปไหนมันย่ำอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมแต่เปล่าเลยทุกครั้งที่เหยียบไปมันผ่านไปแล้วเหยียบครั้งใหม่ก็คือต้องก้าวใหม่แต่ซ้ำที่เดิมเมื่อก้าวใหม่ก็ซ้ำที่เดิมจึงดูไม่ออกว่าเป็นการก้าวถึงร้อยครั้งเชอะรือก็เห็นมีแค่รอยเท้าอันเดียวถ้าเป็นรู ป, ประขัน จะพอมองเห็นได้ชัดเจนว่าก้าวหมายทุกครั้งแต่เหยียบที่เดิมแต่เป็นการก้าวออกไปแต่ละครั้งแต่ถ้าเป็นความคิดความรู้สึกจะมองเห็นยากจะคิดกังวลทุกใจนับร้อยครั้งนับพันครั้งอารมณ์หดหูเศร้าหมองนับร้อยนับพันครั้งก็มองไม่เห็นมีแต่ทุรนทุ ร, รายในทุกๆขณะที่มันผ่านมาแล้วผ่านไปเมื่อมันมีสติเห็นความคิด ไม่เห็นอารมณ์ความรู้สึกไม่เห็ น, นกลไกการปรุงแต่งของขันห่าที่มันไหลไปตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งแล้วเราก็จะหลงว่าทาไมเรากังวลเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดแล้วคิดเล่าทุกแล้วทุกเล่าอยู่ตลอดเวลาหารู้ไม่ว่านั่นแหละคุณปรุงแต่งเองปรุงใหม่ในทุกๆครั้งทุกวินาทีทุกขณะจิต แต่อาจจะปรุงใหม่ในเนื้อหาข้อความเดิมๆนี่คือเรื่องที่เรามองไม่เห็นคิดไม่ถึงว่าสาเหตุที่เราทุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆแล้วไปโทษว่าทำไมเราไม่ลืมมันสักทีคิดทีไรทุกๆุกนาทีไปโทษว่ายึดติดในอดีตมันหลอกหลอนมันคอยทิ่มแทงให้เราทุกข์ให้เราโศกเศร้าเสียใจตลอดมาหารู้ไม่ว่า ทุกนั่นแะไม่ใช่อดีตมันทุกในปัจจุบันทุกตอนนี้และเดี๋ยวนี้แม้ข้อความที่นำมาทุกจะถูกส่งมาจากสัญญาที่เคยจำไว้นานมาแล้วแต่การส่งขึ้นมาก็ส่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้จำได้เดี๋ยวนี้ปรุงแต่งเดี๋ยวนี้แล้วทุกเดี๋ยวนี้นั่งสบายๆอยู่ดีๆหันไปเห็นรถเก๋งสีแดงผ่านหน้าบ้านตารับภาพปัจจุบัน สัญญาจำได้ส่งมาปัจจุบันเราเคยมีรถสีนี้ยี่ห้อนี้ปรุงแต่งปัจจุบันโดนขโมยไปเมื่อเดือนที่แล้วอารมณ์ปัจจุบันหดหูซึมเศร้าเศร้าหมองไปทันทีด้วยความเสียดายแล้วเริ่มครั่งครวญรำพึงรำพันเสียอกเสียใจใหม่อีกครั้งในปัจจุบันแฟนทิ้งไปหลายปีแล้วคิดทีไร ท, ทุกทุกที นั่นคือปรุงใหม่ทุกวันทุกทุกวันแล้วไปโทษว่ามันลืมอดีตไม่ได้ลบอดีตไม่ได้หารู้ไม่ว่าท่านทำปัจจุบันให้มันเป็นทุกเองด้วยความไม่รู้ไม่เห็นความสำคัญของปัจจุบันขณะที่ควรแต่จะอยู่กับสิ่งที่กระทบณั่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เท่านั้นแค่ปัจจุบันก็มากมายเกินพอแล้วเพราะจะมีสิ่งมากระทบมาให้เรียน มาให้วางอย่างมากมายแล้วอย่าไปเยื่อใยอย่าไปรื้อฟื้นอย่าไปเอื้ออาทรข้อความเดิมๆความรู้สึกเดิมๆความจําเดิมๆ ม, มาเป็นเชื้อเพื่อให้มันปรุงวันนี้ในข้อความเดิมๆที่เคยผ่านมาใหม่เมื่อหลายปีหลายเดือนหลายวันหลายชั่วโมงเหล่านั้นเลยเพราะมันปรุงเดี๋ยวนี้จึงทุกเดี๋ยวนี้ทุกขณะ น, นี้ทุกวันนี้ นี่คือทุกปัจจุบันที่หลายท่านไม่รู้ยังไม่เข้าใจยังยึดเกาะ อ, อยู่ยังห่วงหาอาทรกันอยู่โดยแทบไม่รู้ว่ากําลังทิมแทงตัวเองในทุกเวลาทุกนาทีทุกขณะจิตนั่นเองและเป็นทุกข์ฟรีเสียด้วยสิความจริงสิ่งทั้งหลายที่มันปรุงแต่งขณะใดมันจบไปในขณะนั้นจบไปตั้งนานแล้วมันผ่านไปตั้งนานแล้วมันดับไปตั้งนานแล้ว แต่เพราะกลไกของขันห้ามันนำมาปรุงแต่งใหม่เองเมื่อกระทบสิ่งนั้นสัญญามันก็ปรุงใหม่โดยใช้รากเดิมสังขารความคิดก็ปรุงใหม่แต่ในข้อความเดิมอารมณ์มันก็ต้องปรุงใหม่แต่ให้อารมณ์แบบเดิมแล้วเราก็ไปอุปทานว่ามันเป็นของเดิมเป็นของที่เคยเกิดขึ้นแล้วมีผลกับเราเหมือนเดิมถ้าทุกข์ก็เหมือนทุกข์เช่นเดิมถ้าสุข ก, ก็เหมือนสุขอย่างเดิมนั่นเอง แต่ความเป็นจริงมันปรุงใหม่ทั้งหมดในวินาทีนี้ในปัจจุบันขณะนี้ทั้งในความคิดความรู้สึกความจำความจำมันก็ส่งขึ้นมาในปัจจุบันไม่ใช่ส่งมาตั้งนานแล้วเพิ่งนึกได้ทุกอย่างทำพร้อมกันในปัจจุบันขณะมันคือปัจจุบันทั้งหมดไม่ว่าจะคิดเรื่องในอดีตเนื้อเรื่องข้อความเป็นข้อความที่เคยเจอมาแล้วแต่ตอนปรุงแต่งตอนคิด กลับคิดในปัจจุบันในขณะ น, นี้ในเดี๋ยวนี้แล้วพอผ่านไปมันก็หายไปปรุงใหม่อีกต่อเนื่องกันไปอย่างนี้แต่เพราะมันต่อเนื่องกันเป็นสายยาวเป็นกระแสที่ไหลไปอย่างต่อเนื่องมันจึงดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันมันเหมือนทุกต่อเนื่องมันเหมือนสุขต่อเนื่องแต่ไม่ใช่เลยวินาทีนี้มีความสุขอีกวินาทีก็สุข อีกวินาทีสุกน้อยลงอีกวินาทีสุกน้อยลงอีกมันลดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายมันจะสุกเหมือนครั้งแรกไม่ได้มันไม่สุกเท่าเดิมแล้วเพราะการปรุงใหม่มันสุกน้อยลงนั่นเองดังนั้นที่กล่าวว่าอา น, นิจจังคือความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปหมุนเวียนไปตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มันเกิดดับตลอดเวลาทุกขณะจิตกระแสมันจะไหลไปตลอดเวลาไม่เคยย้อนเอาของเก่ามาใช้ใหม่เลยไม่เคยเอาของเก่ามาคิดใหม่ได้เลยยกเว้นปรุงใหม่ในปัจจุบันแต่ข้อความเหมือนกันประโยคเดียวกันกับเมื่อวานนั่นเองดังนั้นคิดถึงอดีตก็คิดอยู่ในหัวของเราในปัจจุบันนี้ แต่เป็นข้อความหรือประโยคที่เคยผ่านมาแล้วตามสัญญาที่บันทึกไว้คิดถึงอนาคตก็คิดในปัจจุบันนี้เช่นกันแต่ข้อความหรือสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นอาจเป็นประโยคที่มาจากจินตนาการการคาดเคะเนเป็นส่วนใหญ่เพราะยังไม่มีการบันทึกไวของสัญญานั่นเองทีนี้เราเลยมาดักรอตรงปัจจุบันนั่นแหละดีที่สุดถูกสุดและตรงสุดแล้วอ๋อตอนนี้ ปัจจุบันนี้มันกำลังคิดถึงข้อความของอดีตอ๋อตอนนี้ปัจจุบันนี้มันคาดเคเนในอนาคตมันปรุงแต่งกันใหญ่ในสไตล์จินตนาการแล้มันก็สุขในปัจจุบันตามจินตนาการนั้นถ้ามีสติรู้เท่าทันขันห้าก็จะเห็นว่าแต่ละวันมันคิดไปข้างหน้าย้อนมาข้างหลังคิดเรื่องเมื่อวานคิดไปต่างๆนานาดูเหมือนว่า ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยแต่นั่นแหละคุณกำลังอยู่กับปัจจุบันที่มันกำลังฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่ผ่านมาในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในเรื่องหลากหลายที่รปดังเข้ามาในความคิดความรู้สึกที่กำลังปรุงณปัจจุบันนี้ดังนั้นการวิปัสสนาจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องปฏิบัติให้รู้แจ้งให้เห็นจริงในปัจจุบันประกอบกับต้องมีสติอย่างยิ่ง มีสติรู้เท่าทันการปรุงแต่งของขันห้าตลอดเวลาเพื่อที่จะรู้เท่าทันว่ามันกำลังทำอะไรในปัจจุบันขณะหากมีสติรู้เท่าทันขันห้าว่ากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังมีอารมณ์อย่างไรในปัจจุบันขณะจะได้ตัดตอนการปรุงแต่งที่จะนำพาไปหาข้อความอดีตจินตนาการอนาคตแล้วหลอกให้เรามาทุกข์ในปัจจุบัน หากคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตในขณะปัจจุบันและมีสติรู้เท่าทันก็จะไม่มีการปรุงแต่งให้เกิดทุกข์ก็สามารถทําได้แต่ให้รู้เท่าทันว่าขันห้ามันกําลังคิดเรื่องเตรียมงานของพรุ่งนี้คิดถึงการนัดหมายในวันพรุ่งนี้คิดถึงเพื่อนเก่าที่มาหาเมื่อวานแต่มันคิดในปัจจุบันนี้มันก็จะไม่ไปยึดไปคาดหวังไปเสดาย ในเรื่องทั้งหลายที่ผ่านมาหรือยังมาไม่ถึงมันจะคิดในปัจจุบันแล้ววางในปัจจุบันรอเมื่อถึงปัจจุบันที่จะมาถึงตอนไหนก็ค่อยจัดการตามความเหมาะสมในปัจจุบันขณะในตอนนั้นมันจึงไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันและปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันขันห้าในปัจจุบัน ก็จะเห็นอดีตเห็นอนาคตในปัจจุบันนี้แน่นอนก็พอจะเปิดมุมมองให้เห็นความเป็นปัจจุบันกันได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันสําคัญที่สุดอดีตอนาคตไม่มีสําคัญเพราะมันไม่ได้มีจริงถ้าเห็นได้ปล่อยวางได้ก็ดับทุกได้ในปัจจุบันขอให้ทุกท่านมีสติรู้เท่าทันปัจจุบันขณะของขันห้าของท่าน ในทุกๆขันด้วยเทิญความลับของตัวตนเมื่อไปคิดถึงอดีตและอนาคตจะไม่มีวันรู้สึกต่อปัจจุบันเมื่อรู้สึกต่อปัจจุบันจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนจากหนังสือธรรมะฝนประปรายคือไม่มีตัวตนตั้งแต่ผู้คิดผู้ทาและผู้รับผลบุญที่ทา จึงเป็นการกระทําที่ว่างจากผู้กระทํานั่นเองจึงไม่ต้องไปเวียนเกิดเพื่อไปรับบุญที่ทําในครั้งนี้อีกโดยธรรมชาติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมไม่ได้เป็นตัวใครของใครเป็นธรรมชาติล้วนๆที่มาประชุมรวมกันแล้วเกิดการอุปทานในขันห้าว่าเป็นตัวเราของเราดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อการละวางอัตราตัวตน ย่อมต้องทําความเข้าใจในข้อความนี้ให้ถูกต้องให้เห็นจริงและเพียรเพื่อที่จะปฏิบัติให้เห็ น, นกลไกการปรุงแต่งของขันห่าที่มันปรุงแต่งเองตามเหตุปัจจัยที่มากระทบแล้วไม่ให้อุปทานไปเกาะรับว่าเป็นตัวเราของเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงระลึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ความคิดความรู้สึกอารมณ์เหล่านี้ ที่เกิดขึ้นภายในขันห้านี้เป็นการปรุงแต่งของธรรมชาติไม่ได้มีตัวใครของใครจึงไม่สามารถบังคับบัญชาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ตามต้องการแม้ภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านยังต้องออกทุ ด, ดงปลีกวิเวกเพื่อที่จะไปพิจารณาขันห้าตามความเป็นจริงให้เห็นการปรุงแต่งให้เห็นการเกิดดับของขันห้า ให้เห็นจริงว่าขันห้าทั้งหลายไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นตัวใครความคิดทั้งหลายก็สัตว์แต่ว่าคิดอารมณ์ทั้งหลายก็สัตว์แต่ว่าอารมณ์ความคิดความรู้สึกก็เพียนเพื่อเห็นการเกิดดับเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของทุกสรรพสิ่งที่รวมกันขึ้นมาจนเห็นเสมือนว่ามีตัวตนตัวสัตว์ตัวเราตัวเขานั่นเอง นี่คือการปฏิบัติที่เป็นแก่นของพระธรรมคําสั่งสอนดังนั้นเราก็ต้องเพียรเพื่อที่จะพิจารณาหนึ่งเนืองว่าความคิดนี้สักแต่ว่าคิดจะคิดอะไรจะฟุ่งซ่านมากน้อยแค่ไหนก็อย่าตามความคิดไปให้มีสติเห็นความคิดเหล่านั้นว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตนสักแต่ว่าคิดไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบ อย่าไปให้ความสำคัญมากนักเพราะไม่อย่างนั้นจะพาแต่คิดไปหาเหตุแห่งทุกข์อยู่เรื่อยการเห็นนี้สักแต่ว่าเห็นเพราะอายตนะมันทำหน้าที่รับภาพรับเสียงรับสิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อให้ขันห้าขันอื่นๆรับช่วงต่อทำหน้าที่ปรุงแต่งต่อไปทางธรรมะจึงบอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นอย่าได้นามันมาปรุงแต่ง เพราะมันไม่ได้มีความสําคัญพอที่จะทําให้เราต้องไปสุขทุกข์กับมันความจํานี้สักแต่ว่าจําได้ก็มันเคยบันทึกไว้มันก็ส่งออกมาแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่ว่าเราจําเก่งเราจําแม่นเราดีกว่าเขาเพราะจําได้ดีกว่าเขาพออายุมากก็ลืมเลือนพอกันเพราะมันไม่ใช่ของใครมันก็เสื่อมถอยไปตามกลไกธรรมชาติ หรือแม้ว่าร่างกายการเปลี่ยนแปลงก็แปรปรวนไปเรื่อยเซลเปลี่ยนแปลงแปรปรวนถ้าจะไปยึดเกาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์ได้ตลอดเวลาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการไหลไปของกระแสะธรรมชาติมันไหลไปตลอดเวลาไม่ได้เป็นของใครแม้แต่น้อยนิดเพียงแต่ถ้าใครอุปทานว่าสิ่งนี้ความคิดนี้ความจานี้ อารมณ์นี้เป็นของเราเขาก็ต้องรับสิ่งที่ขันห้ามันปรุงหลากหลายอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นของเขาไปเท่ากับไปปั้นอุปทานไปปั้นสิ่งที่เป็นความว่างให้มีตัวตนขึ้นมาแล้วมันก็เป็ น, นกลไกธรรมชาติเมื่อมีตัวตนมีตัวเราผู้กระทาก็ย่อมมีการบันทึกผลของกรรมนั้นๆไว้ให้ตัวตนของผู้กระทาจึงต้องมีการรับผลของการกระทานั้นๆได้บันทึกไว้ เพื่อชดใช้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วจึงจึงต้องเวียนเกิดเวียนตายใช้บุญใช้กรรมกันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือเมื่อมีตัวตนผู้กระทาจึงมีตัวตนของผู้รับกรรมก็มีการบันทึกวิบากต่างๆเก็บไว้ให้ตัวตนของผู้กระทานั่นเองต้องชดใช้กันไปไม่มีที่สิ้นสุดต้องเวียนเกิดเวียนตายเพื่อมาชดใช้วิบากเหล่านั้น ต้องมาเกิดเป็นเศรษฐีเป็นผู้ใจบุญเพราะสร้างวิบากดีไว้เยอะแม้จะไม่อยากเกิดอยากไปนิพพานแต่มีตัวผู้ทาบุญก็ต้องมารับบุญไปนิพพานอย่างไม่ได้เพราะยังมีตัวตนผู้ทาบุญอยู่กฎแห่งกรรมก็ต้องเก็บบุญไว้ให้ตัวผู้ทากรรมดีนั้นมารับไปต้องเกิดมาเป็นยาจกมาเป็นผู้ร้ายเพราะสร้างวิบากไม่ดีไว้เยอะ ต้องมาชดใช้เวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะยังมีตัวตนผู้รับวิบากไม่ดีอยู่ถ้ายังไม่เห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นของธรรมชาติไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีตัวใครของใครที่ควรจะต้องไปเกาะไปยึดไปบังคับบัญชาแล้วถอยออกมาดูการปรุงแต่งของแต่ละขันด้วยความเข้าใจจะทาสิ่งใดก็มีสติรู้เห็นการกระทำนั้นๆว่าเป็นการสมควรเพียงใดเหมาะสมเพียงใด แล้วทำไปตามเหตุปัจจัยที่ควรกระทาแล้วไม่ไปยึดเอาธรรมชาติขณะที่กระทำนั้นว่าเป็นเราผู้กระทำเราผู้ช่วยเหลือเราผู้ให้เราผู้ไม่ให้เราผู้ทำอย่างนั้นเราผู้ทำอย่างนี้ไม่รับทั้งบุญและบาปไม่มีทั้งเขาและเราไม่ได้มีใครให้ใครมีแต่การช่วยเหลือกันไปของธรรมชาติกับธรรมชาติเท่านั้น มันจึงไม่ได้มีใครทุกข์มีใครสุขเพราะอยู่เหนือขันห้าอยู่เหนืออารมณ์ปรุงแต่งสุขทุกข์ทั้งหลายมองเห็นว่ามันเป็นสักแต่ว่าสุขทุกในอารมณ์ในความรู้สึกเท่านั้นถ้ายังเกาะเกี่ยวมีตัวผู้ทําผู้ให้ผู้รับผู้ทําดีผู้ทําชั่วอยู่แล้วก็ยังต้องเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารออกไม่ได้แน่นอนเหมือนเช่นพระอรหรันต พระองคุริมานถ้าท่านยังไม่บรรลุธรรมที่ได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วนั้นท่านต้องชดใช้กรรมอีกเท่าไหร่กว่าที่ท่านจะใช้ได้หมดในการฆ่าคนจำนวนมหาศาลเหล่านั้นแต่เพราะท่านได้มารู้ความจริงที่เป็นกฎของธรรมชาติเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้ได้ยากท่านเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นตัวใครของใคร เป็นเพียงธรรมชาติแต่ด้วยความไม่รู้จึงทําสิ่งที่ผิดจากหลักธรรมชาติไปยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนจึงต้องมีตัวเราทําร้ายตัวเราจึงต้องรับกรรมวิบากกรรมมาเป็นของเราแต่เมื่อรู้เห็นรู้ความจริงท่านจึงออกจากตัวตนออกจากอุปทานขันห่าท่านจึงอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือกรรมวิบากกรรม คือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเกิดมาเพื่อใช้กรรมอีกแต่ขันห้าที่เคยยึดเคยคิดว่าเป็นตัวตนมันก็ยังต้องรับกรรมของมันกรรมของขันห้าถูกขว้างปาทุบตีถูกทำร้ายด้วยความอาฆาตจากชาวบ้านพระองคุลิมานท่านก็ไม่ทุกข์ก็ขันห้าชดใช้ไปก็ทุบตีไปขันห้าก็ใช้กรรมไป เมื่อสิ้นขันห้าก็แยกย้ายจากกันไปไม่ต้องกลับมารวมกันเป็นขันห้าเพื่อเกิดใหม่อีกนั่นเองจะเห็นได้ว่าจุดแก่นจริงๆก็คือให้เห็นความเป็นจริงของขันห้าให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้มีตัวใครเป็นเพียงอุปทานขันห้าเท่านั้นที่มันยึดเหนี่ยวเอาไว้ดังนั้นการหลุดพ้น จึงหลุดพ้นจากอุบทานขันห้าที่มันปรุงแต่งแล้วหลอกล่อให้ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นถ้าเห็นตามจริงและมีสติอยู่ในปัจจุบันขณะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตนจริงๆแต่ถึงพูดถึงบอกยังไงมันก็ไม่เห็นเพราะมันเข้าใจไม่ได้ยังไปไม่ถึงยังวนอยู่ในขันห้ากันอยู่ก็ติดอยู่ในขันห้า ไม่เคยคิดที่จะแยกออกมาดูมันทำงานกันเองเลยสักครั้งไม่เคยที่จะฉุกใจสักนิดว่ามันไม่ได้มีใครไม่ได้มีตัวตนของตนใดๆอยู่ในขันห้าเลยการจะอยู่เหนือขันห้ามันจะเป็นเรื่องที่เกินวิสัยจะคิดได้แล้วจะไปโทษใครไปโทษอะไรเพราะเราไม่เข้าใจเองเราจึงยังสุขยังทุกข์กันอยู่เองถึงเวลาหรื อ, อยัง ที่จะมีความเห็นให้ถูกต้องให้เข้าถึงแก่นของธรรมชาติเข้าถึงแก่นของธรรมะเพื่อออกจากสังสารวัตอันยาวนานกันเสที